.7 ถ้าถือศีลห้าไม่ครบจะภาวนาได้หรือไม่มีคนถามว่าการถือศีลห้าไม่ครบจะทําให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าใช่หรือไม่ตอบว่าใช่แต่การถือศีลห้าต้องถือให้เป็นนะอย่างบางคนมีอาชีพทําบอกกุ้งถ้าเขาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเขาต้องเลี้ยงกุ้งศีลเขาไม่บริสุทธิ์เวลาจะภาวนาก็คิดแต่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ฉลาดเขามาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าปีหนึ่งจับกุ้งกี่ครั้งไม่กี่ครั้งนะ แล้วเวลาที่เหลือไม่ได้ฆ่ากุ้งไปคิดทําไหมเวลาที่เหลือก็ทําคุณงามความดีไปสิถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปแต่ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นอาชีพในบ้านก็ต้องรู้จักเลือกนะชีวิตของเราต้องซอยเป็นช่วงเวลาสั้นๆเวลานี้อกุศลเอาไปกินแล้วก็แล้วกันไปพยายามสํารวมระวังที่หลังหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเสียเวลาที่เหลือไม่ใช่เวลาของอกุศลแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจ ศีลห้าของเราก็จะขาดเป็นช่วงๆไม่ได้ขาดทั้งวันทั้งคืนขาดตอนที่ทำผิดศีลนั่นแหละตอนที่ไม่ได้ทำผิดศีลเราก็มีศีลห้าเราก็ภาวนาไปอาจจะบรรลุมรรคผลตอนนั้นเลยก็ได้